หรือบอกกล่าวเรื่องคุณค่าของศิล้าผลประโยชน์ของศิล้าผู้ศิลปเนี่ยคุ้มครองโลกอย่างไงศิลห้เนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกอย่างไรถ้าคนร้นายศิลปไม่มีศิล้าและโลกจะเป็นอย่างไงพอก็อธิบายเมื่อวานอย่างละเอียด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 ลีกนี้ไม่ได้นะเรื่องมรณภัยเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำบอกกล่าวสังสอนอย่างนั้นหลวงพ่อก็ได้ขึ้นเป็นพุทธพาสิตว่ามรนังเมผะวิสติขยะวยธรรมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติขึ้นบทพาสิตอย่างนั้นกันใดอธิบาย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 พักอยู่ในห้องห้องสิริเหมความสวยงามพรามณ์ประธานประธานพราม์รือพรามเขาก็ต้องเรียงตามอายุอายุใช่ที่เขามาพอมาถึงแล้วเขาก็ยกสองนิ้วยกสองนิ้วเสร็จแล้วก็เดินออกไปคนที่สองมาก็ยกสองนิ้วเดินออกไปยกที่สามยกสองนิ้ว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 พระเจ้าจุโธธนาเนี่ยก็เห็นว่าคงจะติดระมังบัดเนี่ยจะมีลูกอยู่แล้วจะไปรักษาไปถึงไหนอันนี้ก็คงจะอยู่ละบัดเนี่ยพออยู่ในโลกอยู่ ก, กับเวียงในวังคงจะไม่มีอะไรได้เ่ยพระเจ้าจุโธธนาก็ลาลามือให้รือให้เห็นตามธรรมชาติเป็นยังไง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 พอกลับมาถึงเวียงวังก็มานั่งคิดจะทำยังไงจะไม่แก่เหมือนกับคนนั้นอ่ะจะทำวิธียังไงเอ๊ะนี่แหละพอท่านเห็นอะไรท่านนำมาคิดนะมันจะหาวิธีแก้ไขจะทำยังไงจึงจะไม่แก่อย่างคนนั้นที่เห็นน่ะแต่ก็แก้ไม่ตกปะ่ะพอต่อมาอีกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดที่หลังสามสี่ห้าวันไปเอกป่ะ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 มีโอกาสจะเจ็บป่วดอย่างนั้นไหมเนี่ยมีโอกาสครับโอ้ไปไ ป, ไปกลับกลับเพี่ยนวั ง, งไม่ไปอุทยานอีกไปก็คงไม่สนุกเห็นอันนี้ตําหูตาต า, ตาบาดใจกลับมาก็มาเคดเอจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคนทั้งหลายมันจึงจะไม่เจ็บไม่ไข่เนี่ยวะจะมีวิธีการอย่างไรเนาะนีะ่เคสไม่ออกไปเข้าเหมือนกันะเอาไว้ก่อน เข้าวนี่ไปช น, นะพาไปอีกพอไปอีกครั้งที่สามไปเห็นคนตายคนเมืองอินเดียก็คงตายเสร็จแล้วกว็คงจะมัดใส่แตะแค่และอะไรไม่รู้ล่ะเอาผ้าพันแล้วกว็คงจะหามสองคนเลยเอเขาถามเขาทําอะไรนีคนตายเอ้าทาไมล่ะเขาจึงตายทุกคนถ้าเกิดขึ้นมาแล้วกันนี่ยตายหมดนั่นแหละเหมือนกับปู่ญ้าตายทั่ว่ะทุกคน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 จากนั้นท่านก็เลยขโมยหนีกลางคืนไปกับนายชนะสามชีวิตคือม้าขันทกะแล้วก็สิทธธัตะพพุทธเจ้าเขเรานั่งหน้ า, านายชนะเนี่ยเกาะเกาะหางมา้าหลวงปู่จาม ไ, ไปหาเกาะหางม้าได้เกาะหางม้ามันก็หลุดต๊กหมดนะคงจะขืนไปขืนนั่งซ้อนหลังแล้วก็เกาะเอว ศ <S an> ิทธฐานะจริงจะอยู่ได้มา้าวิ่งเร็วขนาดนะั้นจะไปเกาะหางม้าได้ยังไงห <S an> ลวงปู่จามว่านะ น, นี้เราก็ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นนะเขาว่าอย่างไงรก็ฟังฟังไปแล้วกันนะหลวงพ่อพ่อที่ฟังพวกเราก็ฟังหลวงปู่จามแสดงความคิดเห็นเราก็เห็นด้วยแต่ถ้าว่าเกาะหางมานะ้าเนี่ยเราก็เห็นด้วยอีกเหมือนกันเพราะด้วยความเคารพ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 ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับหาวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนะหรือหาจะคิดเลขเก็หาข้อกฎหมายหรือหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคิดอยู่ทั้งหปีในขณะที่ท่านคิดนะาจะไล่เรียงมาแต่ละวี่แต่ละวันนะ่คงจะมากทีเดียวคงจะต ำ, ตำราพระไตรปิฎก ค, คงจะไม่มีที่จะเขียนยนะ่นแแต่พูดถึงสูตรสำเร็จในวันนั้น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 จะนอนสบายๆนะคนคนนิสัยถูกกันเป็นอย่างนัไรเห็นแล้วกัเขาลบนับถือเลื่อมใสเอมใกล้เขาว่าจะจะทำยังไงจึงอำนวยความสะดวกให้เนี่ยนี่ะคนถูกกันถ้าว่าคนไม่ถูกกันจะทําดีอย่างไงกับตาเกี่ยวปัดใส่กันออพอเห็นเฮ้ยทำท่าเออย่างนั้นนะดูถูกอีกต่างหากแต่วคนที่อมีศรัทธามีน้ําใจ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 พอท่านสิทธัตถะได้ยาคาแปดกำมือท่านก็หาทำเลที่นั่งนะ่าท่านก็หาไปได้ทางทิศตะวันออกท่านก็ได้ยาคาแปดกำมือสลับหัวสลับท้ายใช่ไหมเพราะยาคามั น, มนทางหางมก็ตรงเนือกาหัวใช่ไหมแสดงว่สลับหัวสลับท้ายแสดงว่าเป็นอาสนะจากทา่านก็ขึ้นท่านก็ขึ้นไปนั่งหันหน้าไปหันพระพักไปทางทิศตะวันออก